วันนี้เทคโนโลยีก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่ว่าความทุกข์ของผู้คนก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าผู้คนจะมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงเลยอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้ซ้ำถ้าดูจากจำนวนคนที่ เป็นโรคเครียดโรคจิตโรคประสาทหรือว่าจํานวนยาคลายเครียดยาระงับประสาทที่ขายดีเอาความทุกข์ของผู้คนเวลานี้นะถ้าเราดูให้ดีๆมันไม่ใช่เป็นความทุกข์กายเลยส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ใจมันต่างจากคนสมัยก่อนนะที่มีความทุกข์กายเยอะ ทั้งความหิวทั้งความยากลำบากในการทามาหากินในการดำเนินชีวิต <c oughs> หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็กนะคนสมัยนี้จำนวนมากนี่เรียกว่าไม่รู้จักความหิวโหวยนะความร้อนความหนาวก็ไม่ได้มารบกวน มาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รบ ก, กวนหรือว่าคุกคามมากนักจนกว่าจะอายุ เ, าเข้าวัยชาราเนี่ยก็เรียกว่ามีความสุขความสบายทางกายที่ทุกข์ก็ดีก็คือทุกข์ใจความทุกข์ใจทุกที่ใจก็จริงแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่ทุกข์นี่ มันก็ไม่ใช่เรื่องใจโดยตรงกันนะส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องนอกตัวถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องงานการหรือการเรียนหรือเรื่องความสัมพันธ์ความทุกข์ใจของผู้คนก็หนีไม่พ้นสีเรื่องนี้แหละที่จริงเรื่องร่างกายนี้ก็ไม่ได้หมายถึงความเจ็บป่วยเสมอไปนะ อะไหมายถึงรูปร่างหน้าตาส่วนทรงความความขาวความคล้ำของสีผิวซึ่งก็มันไม่ได้ทำให้ทุกทรมานทางกายแต่อย่างใดแต่ว่าก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจแลวคนส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะเรื่องราวนี้แหละเป็นสาเหตุงานไม่ราบรื่น หน้าตาไม่สาสวยหรือหล่อเหลาคนรักไม่เอา อ, อกเอาใจหรือว่าเงินเดือนน้อยของหายธุรกิจไม่ราบรื่นก็มักจะไป มองว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะไอ้สาเหตุแห่งความทุกข์มันอยู่ที่ใจคนเรานี่ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะสิ่งที่อยู่ในหัวเราไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของดินฟ้าอากาศอันนั้นมาเป็น ตัวประกรอบนะเป็นปัจจัยรองปัจจัยเราคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราคือความคิดเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยเรามีความทุกข์ไหมอาจจะมีความทุกข์กายบ้างคือเมื่อยอาจจะรู้สึกร้อนบ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หนักหนาอะไรโดยทั่วไปแล้วก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะ ทำให้ทุกข์ได้ถ้าเกิดว่าใจเราอยู่กับปัจจุบันแต่ทังทีที่เรานึกไปถึงเรื่องราวในอดีตนะนึกถึงเงินที่ถูกโกงนึกถึงของที่หายนึกถึงคนรักที่ตายจากนึกถึงการงานที่มันล้มเหลวพอใจนึกไปเท่านั้นแหละทุกข์เลยนะเศร้าเสียใจหรือบางทีก็แค้นเคือง แค้นเคืองเพื่อนหรือคนรักหนะ้าที่ทําไม่ดีกับเราโกหกหักหลังเราพอคิดไปถึงเรื่องในวดียนี่ทุกเลยเศร้าเสียใจโกรธแค้นหรือไม่ก็พอเป็นนึกถึงเรื่องอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงก็กังวลขึ้นมาทันทีนึกถึงงานที่รออยู่นึกถึงลูกที่ ไม่รู้ว่าจะสอบ n t r ท n c e ได้หรือเปล่าถามว่าจะสอบ Entrance หรือข้า e เ t r a n c e เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอีกหลายวันยังไม่ได้สอบด้วยซ้ำแต่ก็ทุกไปซะละนะเกิดความกังวลหนักอกหนักใจขึ้นมาที่เป็นเพราะใจไปคิดถึงเรื่องอนาคตนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้ลองพิจารณาดูนะความทุกข์ของคนจานวนมากเนี่ยเป็นเพราะจ ใจเนี่ยหรือความคิดเนี่ยมันไม่มันไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันหลุดหลงไปในอดีตหรือจมปรักอยู่ในอนาคตเพียงแค่เราพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงนี้ไนอะความสึ้งหนักอกหนักใจหรือความเศร้าเสียใจมันก็จะละลายหายไปแต่ว่าเราก็ไม่ยอมนะที่จะให้ใจมันมาอยู่กับปัจจุบัน ปล่อยใจไปอดีตบ้างอนาคตบ้างและไอสิ่งที่ไปเรื่องราวที่คิดนะมันก็ล้วนแต่สร้างความทุกข์ใจให้เศร้าเสียใจขับแค้นหรือกังวลอันนี้เลยว่าทุกเพราะความคิดนะไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างหรือมิฉะนั้นก็เพราะปรุงแต่งไปในทางลบนะเราส่งข้อความ ไปหาเพื่อนทางโทรศัพท์มือถือทาง SMS ทาง Facebook ทางอ e ีเมลเพื่อนไม่ตอบเพื่อนหายเงียบไปบางทีไม่ได้หายเงียบเป็นไม่ได้หายเงียบปอาทิตย์นะไม่ได้หายเงียบเป็นวันแค่ไม่ส่งข้อความตอบกลับมารอแล้วสองสามชั่วโมงก็เงียบหายไปก็ลึกแล้วว่าเนี่ยคิดไปแล้วว่าเขาไม่ชอบเรา เข า, าเขินห่างจากเราอันนี้เรียกปรุงแต่งนะปรุงแต่งไปในทางลบก็ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นหรือบางทีมันก็ทาให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเจอเพื่อนทักเพื่อนเพื่อนไม่ทักเราก็โกรธขึ้นมาทันทีอ้เพื่อนเล่นตัวยิง เจ้าห้งที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นกับเราเลยเขาอาจจะมองไม่เห็นกขาอาจจะกำลังกังวลเรื่องลูกหรือว่าคุณคิดถึงเรื่องของสามีที่กำลังเจ็บกำลังป่วยเขาก็เลยไม่ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่เห็นแต่เราก็คิดไปล่วงหน้าแล้วหรือปรุงแต่งไปแล้วว่าเขาไม่พอใจเรา อันนี้เป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งแท้ๆแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งในทางบวกด้วยปรุงแต่งในทางลบคนเราทะเลาะกันได้ง่ายมากนะเพราะว่าไปปรุงแต่งหรือตีความด่วนสรุปไปในทางลบเคยมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะมากินอาหารร้านอาหารในร้านนิตโตเต็มแล้วก็เลยมากินข้างนอก ระหว่างที่กินปรากฏว่านกเนี่มันบินผ่านมาแล้วมันก็ขี่พอดีตกใส่หัวนะของผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็บังเอิญที่ภรรยาเจ้าของร้านเดินผ่านเสิร์ฟอาหารผู้ชายคนนั้นเนี่ยแกก็ปรุงแต่งขึ้นมาทันทีด่วนสรุปว่า ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทมน้ำลายลดสัวก็โกรธเลยนะเกิด อ, อะไรขึ้นทะเลาะกันทะเลาะกันมีปากเสียกันไ ป, ไปมาก็ถึงขั้นจะลงไม้ลงมือเจ้าของร้านนะมีปังตออยู่นะก็เอาปังตอขู่ผู้ชายกลุ่มนั้นก็ล่าถอยไปสักพักก็กลับามาใหม่คนนี้เอาปืนมาด้วย อันนี้ก็เลยการมีการยิงกันฝ่ายหนึ่งมีมีดบางต่อยฝ่ายนึงมีปืนก็คงเดาผลได้นะว่ารอกว่าเมียคนขายก็ตายไอคนยิงก็ติดคุกทั้งเรื่องนี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะนะไม่ใช่เพราะว่านกมันขี้ใส่หัวนะแต่เป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยปรุงแต่งไปในทางลบ ก็เลยเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาเนี่ยเราลองดูนะว่าในประสบการณ์ของเราเนี่ยไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งไปในทางลบหรือเปล่าทั้งน้นที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกเลยบางทีเราก็ปรุงปรุงต่างจนเกิดความกลัวอย่างเช่นไปนอนในกุฏิคนเดียวนะ กลางคืนที่จริงก็ไม่มีอะไรนะแต่พอเราปรุงแต่งว่ามีสัตว์ร้ายหมหรือว่าเสียงกุกกงนี่มันผีหรือเปล่านะเสียงเท้านะที่เดินอยู่รอบกุฏิมันเสียงคนนี่กลัวตกใจที่จริงมันไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ผีนะไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่คนแต่จะเป็นหนู หนูเนี่ยเวลามันเดินนะบนใบไม้แห้งเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเหมือนเสิงรอยเท้าคนเลยนะที่จริงหนูมันเดินรอบกุฏิเราแต่เราไปปรุงแต่งเพราะว่าเสียงมันชัดในป่านี่เสียงมันมันจะชัดกว่าปกติเราก็ปรุงแต่งเป็นเสียงรอยเท้าคนกําลังเดินมามิจฉาชีพรึปป่า กลัวขึ้นมาภาวาขึ้นมาถามว่าทุกไหมทุกทุกเป้าอะไรทุกเพการปรุงแต่งปรุงแต่งจากดีกลายเป็นลายเนี่ยนี่เราปรุงแต่งในทางลบความโกรธความเกลียดความกลัวซึ่งทําความทุกข์ให้กับผู้คนนะมันก็มักจะเกิดจากการปรุงแต่งเสียมากทีเดียว เราลองถามใจเราเวลาเรามีความโกรธความเกลียดนะหรือความกลัวที่อาจจะลบกวนจิตใจเราเวลาเวลานี้เนี่ยลองใคร่ควรดีๆว่ามันเป็นความจริงหรือเป็นเพราะความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาด่วนสรุปด่วนตีความนะอย่างที่เราได้พูดกันเมื่อตอนกลางวัน นอกจากทุกเพราะคิดจมวนเวียนอยู่กับอดีตอนาคตหรือว่าคิดปรุงแต่งในทางลบแล้วบางทีก็ทุกเพราะว่าชอบเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบว่าคนนั้นมีอย่างนี้คนนี้มีอย่างนั้นเราทุกทันทีเลยเพราะเราไม่มีอย่างที่เขามีหรือถึงมีแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ทันสมัย ไม่มีลูกเล่นเยอะเท่านะเช่นโทรศัพท์เด็กเออผู้ใหญ่เออเดี๋ยวนี้ก็ทุกข้เรื่องนี้แหละเพราะว่าคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งี้สิ่งที่ตัวเองมีก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าความไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเปรียบเทียบคนเราไม่ว่าจะมีโชคมีลาบนะได้ของฟรี นะหรือว่าถูกลอตเตอรีนะ่ได้กําไรแค่ไหนหรือได้บนนัสภากน้อยเพียงมากมากเพียงใดก็ตามพอรู้วคนหนึ่งเขาได้มากกว่าก็นะามีของดีกว่าทุกทันทีเลยไอการที่ใจเราเนี่ยชอบคิดมองเปรียบเทียบกับคนอื่นนะมันก็เท่ากับเป็นการเชือ้อเชิญความทุกข์ให้มาครอบงาจิตใจเรา มีพ่อคนหนึ่งไปมีความทุกข์มากเลยที่ลูกเขาไม่ดีเหมือนลูกคนอื่นนะแกทุกจนถึงขนาดที่เรียกว่าซึมเศร้าไปเลยนะไปหาหมอไปหาหมอโรคจิตจิตแพทย์นะซึมเศร้าเพราะว่าลูกไม่ไม่สมบูรณ์ลูกไม่ใช่คนสมบูรณนะ์อยากได้ลูกที่สมบูรณ์ หมอก็แนะนําดีนะหมอก็บอกว่าลูกที่สมบูรณ์ไม่มีหรอกเช่นเดียวกับพ่อที่ไม่สมบูรณ์นะเช่นเดียวกับพ่อที่สมบูรณ์ก็ไม่มีอย่างคุณก็ไม่ใช่เป็นพ่อที่สมบูรณ์แต่ว่าคุณก็ดีพอที่จะเลี้ยงลูกได้เช่นเดียวกับลูกของคุณก็ไม่ใช่ลูกที่สมบูรณ์แต่เขาก็ดีพอที่จะเลี้ลูกของคุณได้พอพูดอย่างนี้เข้าคนคนที่เป็นพ่อก็ได้คิดเลยเออใช่นะ เราชอบไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าลูกเขาดีกว่าเราลูกของเราเลยรู้สึกไม่พอใจลูกลูกไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาจริงๆเหมืนไม่มีหรอกแล้วก็ลืมมองตัวนะว่าอยากจะได้ลูกศพที่สมบูรณ์แต่ตัวเองนี่เป็นพ่อที่สมบูรณ์หรือเปล่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์พร้อม ถ้ามองแบบนี้นะให้ความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะออลูกเราก็มีก็ดีของเขานะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอื่นเช่นเดียวกันลูกก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบพ่อขอ ง, ของคนอื่นกับพ่อของตัวบางทีก็เปรียบเทียบตัวเองกับพี่น้อง ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยทุกเพ่ออะไรทุกเพะพ่อหรือแม่รักเราน้อยกว่ารักพี่รักน้องคนที่เป็นลูกก็ทุกข์เพราะเห็นนี้เยอะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พอคิดเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ได้ง่ายมากคนที่สวยก็ทุกข์นะพ่อไปเปรียบเทียบตัวเองกับดารานางแบบนะ ทั้ที่ตัวเองกนะ็ก็ไม่ใช่ขี้ดู้ขี้เรสวยแต่พอไปเปรียบ เ, เทียบ้าทุกทันทีนี่ก็เรียกว่าถูกขเพราะความคิดนะมองไม่เป็นที่จริงมันยังมีมากกว่า น, นี้อีกนะแต่ว่าเท่าที่เล่ามานี่ก็จะเห็นได้ว่าโอ้นะมันก็เป็นสาเหตุให้คนทุกข์ได้มากมายนะกลุ่มจนกลุ่มของกลุ่มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้ารู้เชนนี้แล้วเนี่ยจะแก้ทุกข์มันก็ไม่ยากนะไม่ต้องไปไปรอให้มีความร่ำรวยให้มีโชคมีลาบหรือประสบความสำเร็จเพราะว่าถึงแม้จะได้สิ่งเหล่านี้มามันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองถ้ายังมีความคิดแบบนี้อย่างที่เล่าไปตัวอย่างเนี่ยคนที่ขายหุ้นไปได้10บล้าน แทนที่มีความสุขแทนที่จะดีใจก็ยังทุกข์เพราะคิดว่าตัวเองน่าจะได้ยี่สิบล้านถ้าไม่ด่วนไปขายหุ้นเมื่อ2อสามวันก่อนถ้าขายหุ้นวันนี้ก็ได้แล้วยี่สิบล้านทุกทันทีท้านั้น10ล้านนี่ก็ไม่น้อยถึงจะได้ร้อยล้านก็ยังทุกข์นะถ้าเป็นนึกว่าเนี่ยฉันน่าจะได้สองร้อยหรือสามร้อยล้านอันนี้เพราะชอบเปรียบเทียบ นี่ถ้าเกิดว่าเราลองที่จะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นใจอยู่กับปัจจุบันเวลามันเผลอคิดไปเรื่องอดีเรื่องอนาคตเกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นมาอา้าวรู้ทันพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังฟังธรร ม, มะอา้าวก็ใจก็อยู่การฟังธรร ม, มะ กำลังทำงานอยู่ใจมันไปนึกถึงงานอีกมากมายที่ยังรออยู่อพอรู้สึกกังวลปุ๊บดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันตัวเราถ้าใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันลดความทุกข์ไปได้เยอะลดความกังวลลดความเครียดไปได้มากพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลาทํางาน ก็นึกถึงลูกที่บ้านเวลาอยู่ก็ลูกที่บ้านก็กลับไปนึกถึงงานเวลานอนก็นึกถึงงานจนนอนไม่หลับแต่เวลาทำงานก็ดัน ง, ง่วงนอนอยู่กับอยู่กับงานก็คิดถึงลูกเกิดอะไรขึ้นกังวลไม่มีสมาธิกับงานแล้วก็ไม่อยากทำงานเลยเลยซ้ากลายเป็นทุกข์กับงาน แต่เวลาอยู่กับลูกแทนที่จะมีความสุขกับลูกก็เปล่าไปคิดถึงงานก็กังวลหนักใจบางทีระบายความเครียดใส่ลูกก็มีไม่รู้ตัวลูกพูดผิดหูนิดหน่อยลูกไม่ฟังนิดหน่อยนี่โอ้ตวาดใส่จริงๆไม่ได้โกรธลูกหรอกแต่ว่ามันเครียดเพราะไปนึกถึงงานมันจะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเรา จใจอยู่กับปัจจุบันทำงานก็อยู่กับงานอย่าพึ่งไปนึกถึงลูกพอนึกไปก็ไม่มีประโยชน์เราทำอะไรไม่ได้มีแต่กังวลเปล่าๆพออยู่กับลูกก็ใจก็อยู่กับลูกไม่ใช่แค่ตัวอยู่กับลูกเท่านั้นงานก็วางเอาไว้ก่อนนะเวลานอนก็นอนนะตื่นขึ้นมาจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชา ม, มีความสดชื่นทางานได้โดยที่ไม่ต้อง่วงงาหานอน ในชีวิตมันจะง่ายขึ้นแล้วก็จะมีความโปร่งเบามากขึ้นนักเพียงแต่เราใจอยู่กับปัจจุบันขณะเดียวกันก็รู้ทันไอความคิดที่ปรุงแต่งด้วยนะปรุงแต่งไปในทางลบเห็นอะไรขึ้นอยู่ตอนหน้าก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปเรามักจะด่วนสรุปไปเร็วมากทั้งนังที่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นมันดูน่าจะคอยชวนให้คิดไปอย่างนั้น มีหมอคนหนึ่งแกก็เคยันทำงานมากวันหนึ่งก็ไปมีคนไข้เป็นเด็กนะเด็กก็ยังอายุไม่มากนะหาเข้าวขวบอาการก็หนักแกก็เอาใจใส่ดูแลคนที่มาดูคนที่มาดูแลเด็กด้วยเนี่ยก็คือพ่อพ่อนี่ก็เป็นชาวบ้านนะ เด็กก็ป่วยหนักหมอก็บอกพ่อว่าเวลาหมอมามาตรวจคนไข้ตอนเช้าเนี่ยให้อยู่นะเพราะว่าหมอจะได้ซักถามอาการจากพ่อได้หรือไม่ก็เวลาจะแนะนำอะไรก็แนะนาผ่านพ่อเพราะว่าเด็กอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะวันหนึ่งหมอขึ้นมาตรวจตอนเช้าไม่เห็นพ่อนะก็ไม่พอใจ วันรุ่งขึ้นมาขึ้นมาอีกมาเยี่ยมคนไข้เจอแต่เด็กไม่เห็นพ่อตัวฉุนเลยโกรธนะเพราะลูกสาวพ่อนีนะ่ไม่รับผิดชอบเลยลูกนี่ก็ป่วยหนักหายไปไหนพอตอนเย็นอะ่ะเจอพ่อแล้วก็ดา่าก็ว่าพ่อเลยว่าทำไมคุณไม่รับผิดชอบทาไมคุณไม่ไม่ดูแลลูกให้ดีเมาอสามาเยี่ยมมาดูแล พ่อนี่ก็ยกมือขอโทษเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ข้าวที่ผมเอามาเนี่ยมันหมดแล้วนะไม่มีข้าวกินก็เลยต้องไปวัดนะไปกินข้าววัดอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกินข้าววัดนี่ก็ต้องรอพระฉันเสร็จก่อนกินข้าวเสร็จก็ต้องล้างถ้วยล้างชามให้วัด ก็เลยมาไม่ทันหมอหมอได้ยินพ่อคนพ่อเด็กพูดอย่างนี้หมอก็รู้สึกผิดขึ้นมาเลยนะไปว่าไปว่าเขาทั้งที่เขาเองก็น่าสงสารไม่มีเงินที่จะแม้กระทั่งหาหาอาหารหาข้าวมากินเลี้ยงตัวจะกินข้าวโรงพยาบาลก็ไม่ได้ แต่นี่ก็ด่าเข้าไปแล้ว่าเข้าไปแล้วอันนี้พ่อแะไรก็ด่วนสรุปไปเห็นพ่อแม่อยู่เวลาหมอมาเยี่ยมก็คิดว่าพ่อแม่ละปิดชอบไม่เอาใจใส่ล้วคนเราบ่อยครั้งนะการที่เราว่าคนนั้นว่าคนนี้เนี่ยมันก็เป็นการสรุปร่วงหน้าเกิดจากการสรุปร่วงหน้าถ้าเราลองคิดเผื่อสักหน่อยนะว่าเออเขาอาจจะมีธุระมีความจาเป็นนะเราคงไม่เผอไป พูดตำหนิต่อว่าอย่างนั้นในชีวิตประจำวันนี่มันมีโอกาสที่จะทำให้เรานะเผลอแบบนี้บ่อยๆบาทีกำลังขับรถอยู่นะด้วยความเร็วมีรถข้างหน้านี่ตอนที่กำลังจะแล่นสวนมาก็ตะโกนโบกเวกมาที่เราชี้มือชี้มื อ, ช, มอชี้ไม้ให้เราก็นึกว่าเขากาลังด่าเรา กด็ด่ากลับไปหนะารู้ไหมว่าที่จริงนี่เขาตั้งการที่จะส่งสัญญาณบอกว่าประตูหลังยังปิดไม่เรียบร้อยนะหรือว่าให้รถกระโปรงข้างหลังเนี่ยนะมันปิดไม่สนิทแต่การความจริงแบบนี้บางทีเราก็ไม่ไมรู้นะเพราะว่าเราด่วนสรุปไปซะก่อน เคยมีคนเขาเล่าว่าเนี่ยขณะที่เขาขับรถนะลัดเลาะ ไ, ไปตามเส้นทางภาคเหนือเนี่ยนะมันเป็นเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โค้งเยอะระหว่างที่เขากำลังขับรถอยู่ก็เห็นรถทังข้างหน้าเนี่ยกำลังจะแล่นสวนมาก็ท่าทาง รถก็แสสายสายสายจนกระทั่งเขาเองเนี่ยต้องหลบต้องหลีกนะเพราะม่งันมันชนเอาถ้าไม่าไม่พอคนขับรถคันนั้นเนี่ยอยู่ดีก็ตะโกนขึ้นมาว่าควายควายนะเขาโกรธมากเลยเพราะมาหาว่าฉันเป็นควายแกขับรถยังไม่ดีนะายขนาด น, นั้นแล้วแมา ด่าวฉันเป็นควายก็เลยด่ากลับไปด่ากลับไปก็เสร็จแล้วก็ศึกษาใจนะเสร็จแล้วขับต่อไปปรากูว่าพอเลี้ยวโค้งข้างหน้าก็ตกใจเจอควายฝูงใหญ่นะมาเบรกไม่ทันแล้วคราวนี้เพราะมันเป็นช่วงขาลงนะเกิด อ, อะไรขึ้นก็ชนเลยชนควายไปตายไปตัวนึ่ง ควายมาเป็นฝูงเลยนะถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงรถคันที่สวนมานี้เขาหวังดีนะก็ไม่ได้ว่าเราเขากำลังจะเตือนแต่ว่าสรุปลุงหน้าแล้วว่าเนี่ยเขาว่าเราว่าเป็นควายมันเกิดแบบนี้ขึ้นบ่อยๆนะที่เราต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุป ถรามช่างคนเราเนี่ยพอเห็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เห็นแต่ข้างหน้าอย่างเดียวคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปถึงเบื้องหลังหรือว่าคิดไปคาดการไปเบื้องหน้าแล้วมีคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยอยู่บ้านจัดสรรนะแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาอยู่ก็แค่วันสองวันช่วงนั้นมันเป็นหน้าฝนก็คืนนก็มีพายุไฟดับ คนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่แกก็มาข้อประตูมาเรียกที่หน้าบ้านเราก็ถามว่ามีไฟฉายไหมไม่มีไม่ขีดมีเทียนไหมเจ้าของบ้านก็นึกในใจว่าอยู่บ้านนี่อยู่ไม่กี่วันนี้ก็จะมาจะมารบกวนแล้ว ตัวนี่ทำไมไม่ยอมไม่หาไอ้พวกไฟฉายมาบ้างก็เลยพูดว่าไม่มีอคตุกะที่มาเยื่ยงกระบอกเหรอเอาไม่มีเหรองั้นเดี๋ยวะจะหามาให้นะเพราะว่าฉันมีอยู่มีเหลืออยู่มีเผื่ออยู่คือเขาไม่ได้มาขอยืมนะเขามาเพื่อที่จะมาถามว่ามีมาถามว่ามาถามด้วยความหงายว่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็จะเอามาให้เจ้าของบ้าน p o l l u t i o นนี้ก็สะอึกเลยน ะ, นะเพราะไปมีคติเขาว่าเขาจะมารบกวนเราที่จริงเขามาเพราะความห่วงใยต่างหากคนในในเมืองนะเดี๋ยวนี้ก็คิดแบบนี้กันเยอะเวลาใครมาถามแบบนี้ก็คิดว่าเขาจะมาขอแต่ว่าที่จริงก็จะมาให้ก็ได้ก็จะมาให้ยืมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอย่าไปด่วนสรุป หรือว่าถึงแม้จะมีความคิดหรือสรุปไปล่วงหน้าแล้วก็รู้จักทักทวงบ้างนะอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเองไปเสียหมดนะธรรมชาติขอเราก็ต้องสรุปล่วงหน้าไปก่อนแต่ว่าก็ให้รู้ว่านี่มันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงเผื่อใจไว้บ้างนะทักท้วงไว้บ้างว่า อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะถ้าเราเปิดใจไว้หรือว่าทักท้วงความคิดของตัวเองบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ไปทําอะไรผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมานอกจากจะช่วยไม่ให้เราไปสร้างความทุกข์หรือสร้างความขัดแย้งกับคนอื่นแล้วก็ยังช่วยทําให้เราไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าไม่มีความทุกข์ให้ความกิดคนเรานี่มันปรุงแต่งไปได้ ร้อแปดนะถ้าคิดดีก็ดีไปแต่ถ้าคิดไม่ดีเราไปหลงเชื่อความคิดนี่ลําบากบางทีมันก็เป็นผลเสียกับตัวเองหลวงพ่อผมเขียนนั่นเคยเล่าว่าเมื่อสักยี่สิบสามสิบปีก่อนนะสามสิกว่าปีก่อนตอนนั้นท่านยังไม่ได้อยู่ท่านยังไม่ได้มาประจําที่นีนะ่ท่านเป็นเจ้าว่าที่วัดภูเขาทองปีสองศูนย์สองหนึ่งนะสองสอง ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะมาบวชพี่ชายพามามาบวชท่านก็ให้ปฏิบัติธรรมให้เดินจงกรมให้สร้างจังหวะเขาปฏิบัติได้ 3-4 มสี่วันเขาก็มาขอศึกมาบอกหลวงพ่อว่านะผมไม่ได้มาบวชเพื่อมาเดินจงกรมนะพี่ชายขอพี่ชายบังคับให้มาผมก็เลยมา ตอนนี้ก็บวชได้3ามสี่วันแล้วจะขอศึกไม่อยากเดินจงกรมหลวงพ่อก็ไม่ยอมศึกให้ก็ให้ไปปฏิบัติธรรมต่อให้ไปเดินจงกรมต่อก็ เ, เดินได้สองสามช่วงเขาก็มาใหม่จะขอศึกอีกหลวงพ่อก็ไม่ยอมนะก็ให้ไปปฏิบัติธรรมให้ไปเดินจงกรมพักใหญ่มาอีกนะ จะขอศึกจะยืนยันศึกให้ได้หลวงพ่อคราวนี้ก็เลยถามว่าอะไรทำให้ท่านมาที่นี่อะไรทำให้ท่านมาขอศึกเขาตอบว่าความคิดครับความคิดหลวงพ่อก็เลยย้อนถามไปว่าคนเรามีความคิดแล้วเราต้องทำต้องทาตามความคิดทุกอย่างหรือ ถ้าเราทำตามคงพิทุกอย่างนี่ไม่แย่หรือแล้วท่านก็ไม่สึกให้ผู้ชายคนนั้นก็พระลูกนั้นก็ทำท่าไม่พอใจวันรุ่งขึ้นทําวัดเช้านะหลวงพ่อก็มาทาวัดเช้าตั้งแต่ตีสีครึ่งพระลูกนั้นก็รออยูนะ่พอเห็นหลวงพ่อมาก็รีบเดินมาเลย แต่แทนที่จะมาเดินเพื่อขอศึกหรือเพื่อทำอะไรอย่างที่ไม่คาดฝันพระรุ่นเอกบอกว่ากลับมากราบหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่ศึกให้เขาเพราะว่าถ้าเขาศึกวันนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เขาจะทำก็คือว่าไปเอาปืนเพื่อมายิงคนสองคนก็คงเป็นภรรยากับ ชูรักของเขาเอง น, นะคือที่มาบวชนี่ก็เพราะมีปัญหาเรื่องนี้แหละพี่ชายก็เลยบังคับให้มาบวชแต่แต่ว่าพระหนุ่มนี่ก็ตลอดเวลาที่เดินยงก็ น, กนึกแต่เรื่องการแก้แค้นแต่ว่าศึกไม่สําเร็จนะเพราะว่าหลวงพ่อทักท้วงไว้ที่แรกเขาไม่พอใจนะแต่ว่าตอนหลังก็มาได้คิดว่าเออ เกิดได้สติขึ้นมาเลยวันนี้ถ้าศึกไปนี่ลงสัยเป็นฆาตกรแน่ก็เลยมาขอบคุณหลวงพ่อการที่หลวงพ่อพูดทักท้วงเขาว่าเนี่ยคนเราถ้าทำตามความคิดทุกอย่างนี่มันไม่แย่หรือเนี่ยมันทำไมเขาได้สติในสุดก็เลยตัดสินใจไม่ศึกแล้วก็เลยบวชต่อบวชต่อไม่ใช่บวชแค่ปีสองปีแนะ้่บวชเป็นยี่สิปีเลย อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าคนเรานี่ถ้าว่าเราทําตามความคิดทุกอย่างนี่บางทีมันพาเราลงเหวเลยนะเพราะความคิดนี่มันถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์โกรธเกลียดหรือว่าความอยากแล้วคนเราถ้าตามความทําตามความคิดทุกอย่างหรือว่าความคิดที่ไม่ได้ผ่านการ ขัดเกลาหรือว่าผ่านการตบรมไม่มีสติเป็นตัวไต่ตรองก็สามารถจะพาไปในทางที่หายนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดทักทวงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคนเราจะต้องทำตามความคิดทุกอย่างหรือนะท่า น, นพอมีความคิดขึ้นมาอยวไปหลงเชื่อมัน เสียทุกเรื่องนะใคร่ครวญตรวจสอบหรือทักท้วงมันบ้างหรือไม่เอาคิดเผื่อไปอีกทางบ้างขณะที่คิดไปในทางลบก็ลองคิดไปในทางบวกบ้างว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่เรานึกเวลามีเสียงเหมือนเสียงคนเดินรอบกุฏิก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่ามันเป็นเสียงคนหรือว่าเพราะถ้าเกี่ยวเป็นเสียงคนก็ต้องสรุปว่ามันเป็นผู้วิชาชีพหรือเป็นพวกโจรหรือพวกที่มุ่งร้าย ลองคิดเผื่อบางว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเสียงสัตว์นะซึ่งมันก็เป็นไปได้นะเวลาเห็นเพื่อแล้วเขาไม่ทัก เ, เขาไม่เขาไม่เราทักแล้วเขาไม่ตอบอก็อย่าเพิ่งไปสุดว่าเขาไม่ชอบเราลองคิดเผื่อว่าเขาอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เขานะไม่ไม่รู้ไม่ได้ยินหรือไม่เห็นคิดเผื่อไปอีกทางหนึ่งบ้าง ว่าเขาอา จ, จะมีเหตุจําเป็นพ่อที่ไม่มาไม่มาอยู่ข้างเตียงลูกตอนเช้าอาจจะมีเหตุอย่างอื่นที่ทําให้เขามาไม่ได้พอเจอแล้วพอเจอตัวก็อย่าพึ่งดา่าถามาก่อนว่าเป็นเพราะอะไรถามคนอื่นด้วยถามใจตัวเองด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ถูกความคิดชักจูงไปจนกระทั่งจมปลักอยู่ในความทุกข์ คำนี้ก็พูดเท่านี้ก่อนนะกลับมาพร้อมกัน